พระธรรมเทศนาแผ่นที่8ปลำดับที่ส2องโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3มกราคม2559หมีชื่อเรื่องว่าเจ้าที่แรง วันนี้เป็นวันที่สามอาทิตย์ที่สามมกราคมพุทธศักราช2559ปีใหม่มาได้3วันนั้นลูกหลานนะแต่เมื่อวันที่หนึ่งลูกหลานก็คงอยากจะทราบพุกที่มาวัดแล้วก็เอ๊ะทไมหลงพ่อของเราเนี่ทำไมได้ออกไปกระทันหันวันที่หนึ่งออมาก็ไม่พบ คิดว่าจะพบหลวงพ่อตอนบ่ายมาก็หลวงพ่อออกจากวัดไปแล้วและก็วันที่สองตอนเช้าศรัท ธ, ธาญาติโยงมาอกีกเป็นวันเสาร์อกีกจัดตรงก็มามากพอสมควรตามปกติเป็นปีใหม่ก็ไม่เห็นหลวงพ่ออีกหลวงพ่อไปไหนวันที่สามี่ค่อยโผล่มาลูกหลานทั้งหลายก็คงอยากจะรู้ หลวงพ่อไปที่ไหนคือเมื่อวันที่หนึ่งหลวงพ่อฉันจังหัรเสร็จแล้วก็พระทั้งสิบองค์นั่งรถลงไปนู่นไปอำเภอพี่ายไปพักค้างที่วัดหลวงตาด็อกเตอร์นะจากนั้นก็ตอนเช้าก็มีรถมารับไปนูน่นไปฉันอยู่ที่เขาเขาใหญ่มันเปิด บ้านที่เขาใหญ่หลวงพ่อก็ได้ไปั้งบทสิบรูปนะไปสวดมนต์ฉันเช้าแล้วก็กลับมามาถึงพี่ไม้เมื่อวานนี่โอ้ไกลนะลูกหลานนะจากพี่ไม้ไปถึงที่ทำพิธีสาธนาพิธีเนี่ยชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็ นั่งรถตับมาอีกมาถึงพิมายก็มานัง่งฉันปานะฉันน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งจากนั้นก่อนนั่งรถจากพิมายมาถึงวัดเมื่อคืนสามทุ่มครึ่งนะลูกหลานนะาทุ่มครึ่งมาถึงวัดเด็กเดินพอสมควรแต่ไปเห็นเมื่อวานเมื่อวันที่หนึ่ง พี่น้องลูกหลานคงจะหนีจะหนี้รถติดมั้งแต่ขนาดเกิดต่างคนต่างหนีกับรถก็ติดอีกเหมือนกันนะยาวเหยียดหนะลวงพ่อไปฉันอย่างฉันเมื่อวานนะ่ยทั้งที่จะกําหนดดันเวลาบนนิสุต โ, โ อ, อ, อผิดเวลาไปตัางเยอะแยะไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะคนหลงไปกรุงเทพแล้ววันที่สองวันที่สองเช้าใครใครก็หนี หนีรถติดนะแต่เมื่อวานนะ่ยขึ้นมาอีกแต่สายลงไปเทนะลงพ่อขึ้นมาอีกสายเทาขากลับนะแต่พวกสายกรุงเทพโอ้โหเป็นกิโลกิโลเลยเทรถะนะติดเยอะเหลือเกินแต่ในเจ้าหน้าที่ของเขาเขาก็เดตรงไหนที่มันติดมากเขาก็เอากวยมาวางวางวา ง, วางทางเอกขาขึ้นนะวางขาขึ้น ให้ลถวิ่งเลนหนึ่ง เ, เลดเวลเลนขึ้นมาจากกรุงเทพขึ้นมาทางอีสานนี่เขาให้เลนหนึ่งเลนจุดท้ายซ้ายมือถ้าถ้าเราขึ้นมาจากกรุงเทพนะเลนจุดท้ายซ้ายมือนะก็จะให้เลนนึงขึ้นมาวิ่งเลนเดียว เ, เลนเดียวแต่ขาลงไปแล้ววิ่งสามเลนแต่มันไม่วิ่งสามเลนน สายนะั้นมันวิ่งถึงสี่เลนอะนะเต็มถนนเลยเป็นแพรเลยแต่ขนาดนั้นยังแน่นไปหมดโอ้เมื่อวานระถเยอะนะหลวงพ่อขึ้นมามาแต่ว่าทางสายสายของเราก็ติดเป็นเป็นคลังคลาวสายขึ้นมาเนี่ยติดหลวงพ่อนั่งขึ้นมาเนี่ยถึงขนาดนั้นก็จะมาถึงถึงสามทุ่มมื่อวานะ กิจมิ์ของหลวงพ่อนะแล้วก็ถึงยังไงพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานในโลกนั้นมันมีมากมายหลายหลายอย่างอาของที่มองไม่เห็นก็มีในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาท่านไม่ปฏิเสธตั ว, วภูมิลุคเทวด า, าพญานาค มันอูในพระไตรปิฎกอยู่ในตำรามีนะแต่วิทยาศาสตร์เ ข, า ม, มเเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นเขาก็เลยปฏิเสธไปเลยแต่ตามไม่จริงคนโบราณในถิ่นนี้ใน่ น, น้ําในถิ่นบ้านผือน้ำโสมนายูงของเราเนะี่ยสมัยก่อนมีหลวงปู่ล่าเนะีหลวงปูล่ลาไม่ใช่หลวงปูล่ลาตาทิพนะ หลวงปู่ล่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่ท่านมาเริ่มสร้างวัดโคกสาครเนี่ยมาตั้งวัดแล้วก็ที่วัดป่าหินที่หินหมกเป้งเนี่ยก็ท่านเป็นคนเป็นคนไปเริ่มสร้างนะแต่หลวงปู่ล่าองค์นี้เนี่ยเป็นผู้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นทุกองทานเขาก็ยอมรับว่าท่าน เ, เป็นคนประเทศลาวนะหลวงปูล่ลาวเนี่ยแต่ท่านมารลภาพอยู่ที่ วัดป่าบัญานาเกณ น, นี่ยะเจดีหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านชอบอยู่ภูผาป่าไม้หลังเขาภูพานของเราเนี่ยมีโยมคนหนึ่งและสองคนขึ้นไปแล้วก็ท่านก็ภาวนาอยู่ในป่าอยู่ตามลำพังไปว่า ห, วหัวกอยหัวมันหัวอะไรตัวหัวอะไรเนี่ยเอามาขุดมาก่นเอามาต้มมาแกง ชอบฉันอาหารป่าเมียอะไรก็ได้ฉันไปแล้วก็แล้วไปนห้ท่านอยู่ในป่าอพวกโยมทั้งหลายเขาบอกว่าหลวงปูล่ลานเนี่ยฉันไม่ได้ตหัหัวกระพุกหัวกระพกป่าเนี่ยพวกเราก็คงตะก่อนเคยมีน ะ, ะแต่อยู่ในเคยในวัดของเราเนี่ยหัวกระพุกแต่๋ดิมหมูกินหมดใ น, ในวัดของเราเนี่ยหัวบักยาวใหญ่ๆมีใบใหญ่ๆ เหมือนกับใบบอนเนี่แต่มันอยู่ในนั้นอันนี้หลวงปูล่ลา ก, กินไม่ได้เออพอมาต้มต้มแล้วต้มอีกต้มแล้วไม่จดืดอมาเผาเผาแล้วเผาอีกเผาแล้วมาต้มอีกก็ยังไม่จดืดมันยังขันอยู่มีมีอันเดียวที่หลวงปูล่ลา ก, กินไม่ได้ฉันไม่ได้เนี่ยนะอันนี้ท่านอยู่ในป่าท่านทานอาหารป่าเนหลวงปู่ล่า แต่ท่านไปอยู่ที่แต่ท่านบวชเข้ามาเนี่ยท่านอ่านภาษาไทยไม่ได้นะตามประวัติของท่าน out ท่านอ่านภาษาไทยไม่ได้ท่านก็อยากจะได้ปฏิโมกต์นนะท่านอยากจะสวดปฏิโมกต์จากนั้นท่านก็นั่งภาวนาพอ n ั่งภาวนาจิตสงบเข้าไปแล้วท่านวอกเห็นตัวหนังสือไทยออกมาเด่นงศิลมัเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวออกมาท่านก็เลยนั่นแหละ เรียนหนังสือในขณะที่นั่งสมาธินะรู้หมดเลยต้อมาสวดปฏิโมกได้เอีมูทั้งหลายก็แปลกใจทังวอเรียนมาจากเรียนมาจากสมาธิมอันนี้ก็คือแนวประวัตินะที่ท่านครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านเล่าเล่าต่อๆกันหลวงปู่ลาที่ตะคอนครเวียงจันท์ แต่ท่านก็มาอยู่ทางประเทศไทยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่ น, นแต่ตอนก่อนที่ท่านจะตายที่จ ะ, จะมรณาภาพเนี่ยที่บ้านนาเกนท่านบอเออเราจะเราจะไปแล้วนะเนี่นแหะก่อนที่เราตายเนี่ะเอาไม้แดงนะนะ่ะไม้แดงอยู่ฟากนะฝากฝั่งน้ําโสมเนี่ยเอามาเผาตัดลงมาแล้วก็เอามาเผาไฟมาเผาเรานะอย่าไปใช้ไม้ต้นอื่นนะต้นที่มันตายนะเห็นไหมต้นไม้มันตายนะ บอกญาติโยมเสร็จจากนั้นท่านก็มาณะภาพาอญาติโยมก็เอาไม้ต้นนั้นมามาประชุมเพลิงท่านจริงจิงนะเพราะท่านสั่งนี่แหละกระดูกของเรานะพอตายแล้วเอาอขึ้นไปไว้ในถ้านะถ้าหน้าผาตรงนั้นตรงนั้นนะแ่มันมีเถาวันอยู่ตรงนั้นไะไตเถาวันขึ้นไปแล้วก็เอาไปไว้ในถ้าปอกไว้ในถ้าเสร็จแล้วให้ตัดเถาวันให้ตัดเถาวันทิ้ง ตัดข้างบนตัดข้างล่างให้คนขึ้นไม่ได้นะท่านสั่งท่านสั่งหมดเลยนะที่ไว้กระดูกของท่านนี่นะที่บันนาเกณฑเนี่ยไปถามลูกหลานคนเข้าคนแก่เขาก็คงจะเล่าเล่าให้ฟังแต่ถ้าท่านไปทางนี่แหละสมัยก่อนทางน้ําโสมหนึ่งมันภูมะลุขะเทวดาเนี่ยมันแรงกล้ามากนะ แต่ใครๆบอกถ้าใครจะไปปลูกบ้านที่ไหนใครจะไปสร้างไปทําไร่ทํานาที่ไหนเนี่ยด้วยมากทําไม่ได้ผีดุเขาอะนะคนโบราณแถบนี้เขาคงจะรู้เหมือนกันนะ่ะเขาว่าผีดุได้ยินนะแต่พุกวันพวกวั น, วว น, นมนุษย์มันมากกว่าเลยผีก็เลยกลัวเนะีวิ่งตเตลเิดเปิดเปิงหนีเข้าป่าเขาลงหมดอแต่สมัยก่อนะก่อนที่จะทําไร่ทํานาเนี่ยโอ้พอทําเข้าไปแล้วกันนะ่ะ ีเข้ามาสิงเอปากปิดปากเบี้ยวคนก็กลัวกันแต่สมัยนะั้นเอาหลวงปู่ล่าเนี่ยมาเปล่าเอามากับหลวงปู่ล่าก็มีมีคาถามีวิธีการพูดนะท่านก็ใช้วิธีการพูดนะพูดนั้นปูดนี่ฟังจากนั้นก็เอาลูกหลา น, นาได้ทานาได้ข้าพูดแล้วละ่ะจบแล้วละ่ะเขาก็ทําก็ไม่เป็นไรแต่บางคนนะ อบางบางบางคนออย่างทางวัดทางบ้านของหลวงพ่อเนี่ยนะถ้าวัดตรงไหนที่มันผีเข็ดทํานาไม่ได้ภูมิลุขะเทวามันรุนแรงเนะีเขาาลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนะักหายากอีกต่างหากนะลูบลูบในหลวงนะอพอได้รูปในหลวงไปก็ไปตั้งไว้แลวหละตรงที่ว่าที่ว่าเขาทํานาไม่ได้ผีเข็ดนะ เ, เ, เนี่ยเอตั้งไว้เออเนี่ย พวกผู้ฆ่าทั้งหลายจะมาทําไร่ทํานาเพราะในหลวงท่านแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของในหลวงในหลวงให้มาทำในหลวงให้ราชดร ท, ทําไร่ทํานาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อได้ทําบุญทําทานเพื่อได้เสียภาษีให้กับรัฐบาลเพราะว่าถีดแปลงนี้เป็นในหลวงให้ใหราชดรเป็นธรรมมาหากิน ในประเทศไทยเล็บเทพระเจ้าเหล่าเทวาภูมะลุคะขยับขยายไปที่อื่นหนดะ้พวกผู้ค่าจะได้ทำไรทำนานแล้วเนอะตรงนี้หนอะขยับขยายเนอะจะให้ก็ต่อมากันลงไปทำแล้วเอารูปในหลวงม า, มาเก็บขึ้นมาไวอนะันนี้เขาว่า ก, ก็ดีเหมือนกันคือพูดดีๆขอเขาดีๆ องพรมเป็นปิดเป็นที่ของพระเจ้าเป็นดินเป็นที่ของแผ่นดินให้ราชดรทรามหาเลี้ยงชพีพอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งะแล้วก็ทางบ้านของหลวงพ่อเนี่ยที่ไหนที่ไหนที่ทาคันน า, าแล้วก็มีมีน้ำดินถล่มเข้ามาดินถล่มเข้ามาปิดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ถ้าหล่มเข้ามาเรื่อย แป็นแป่นดินะทั้งที่เอาไม้กั้นแล้วก็ยังไม่อยู่อีกนี่แหละคนโบราณเขาว่าอันนั้นหนากมันมาดุดหนากมันมาดันดัดหนากมันมามาซีมาใช้คันนาให้แตกคนโบราณเขาบอกถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าปิดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่นะเอาบาดไปฝังเนะ่าเอาบาดพระเนี่ยนะบาดบาด บาทที่มันล้างๆแตกๆนะบาทที่มันรั่วมันบาดเหล็กมันใช้ไปใช้มามันก็กลดทะลุใช่ไ้มละ่ะแล้วเอาบาทเก่าๆนะไปฝังไ้นปไปฝังไ ป, นะไ ป, งไปเออนี่นะพญานาคนะ่าจูเจ้าจะมัดดุดมัดดันไม่ได้นี่เดี๋ยวมันนนะี่แหละบาทอยู่ที่นี่นะหายได้นี่นี่แหละอันนี้คนโบราณทั้งบ้านของหลวงพ่อนะ อย่างหลวงพ่อโจมพ่อหลวงพ่อเหมือนกันอย่างผู้ใหญ่จุม้มเนี่ยผู้ใหญ่จุม้มเออน้องชายของหลวงพ่อเนี่ยเนี่ยที่น่ะมันอยู่ใกล้นาน้ำมันใกล้ติดลําน้ําใหญ่น้ําห้วยมุกเออปัน้นอะไรไม่อยู่เนะี่ยเอาบาตเนะี่ยไปวางไว้เลยอยู่ทุกครั้งเลย่นะี่ยเป็นกนลเม็ดอันหนึ่งของคนโบราณเหมือนกันเนะี่ยแต่เ้ามองไม่เห็นว่าอะไรมันมีอะไรอยู่ในนั้นไม่ทราบ แต่พอทำเข้าไปเนหยุดทุกครั้งเลยนี่แหละอันนี้ก็คือที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นนี่าจะมาอีกพูดอีกจุดหนึ่งก็ตรงที่สมัยหนึ่งคุณหญิงนงเยาที่เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์นิมณ์หลวงตาไปนั่งปลกพระไปนั่งนีมณ์ไปน่นะไปปลกพระที่วัดพระแก้ว อ่าตอนหลวงตาก่อนบอกท่มนต์นี่แหละมีหลวงปูบ่บุญมีหลวงปูล่ลีหลวงปู่ฟักกับหลวงพ่อแล้วก็หลวงปู่อุ่นโอ้ไปเยอะนะขานนะูกสิษย์หลวงตานะอ่าแต่เนี่ก็มีหลวงพ่อพุทธานิโยและครูบาอาจารย์อ้เยอะกรรมาฐานคุณหญิงลงเยาว์ที่บน์แต่หลวงปู่ หลวงตาของเราเนีเข้าไปข้างในเข้าไปในวัดพระแก้วในในโบสถ์วัดพระแก้วนะในตรงหน้าวัดพระแก้วได้ละแล้วก็มีพระในเมืองหลายองค์เข้าไปนั่งอยู่ข้างในพระผู้ใหญ่เนี่ยพระผู้ใหญ่เข้าไปนั่งอยู่ข้างในทั้งหมดเออที่หลวงตาแล้วก็ทั้งฝ่ายเจ้าฟ้าเจ้าคุณสมเด็จนะพระผู้ใหญ่เออแต่ดีพวกเรา เข้าไปไม่ได้มันเต็มโบสถ์ละเราก็นั่งนั่งอยู่เฉลียงสสเสลียงวัดพระแก้วนะท่ะานท่าวัดพระแก้วหันหน้าไปหันหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนะเราก็นั่งอยู่ทางทางทางซ้ายมือทางซ้ายมือพระแก้วนะวันนั้นก็นมีหลวงปู่ฟักหลว ง, งปู่บุญมีองหลวงปู่ลีนัง่งนั่งอยู่ข้างนอกทั้งหมดนะพวกเราเป็นพระพระพระป่า บัญนอกอายุพรรษาน้อยมีแต่หลวงตาเข้าไปข้างในจากน้ก็มานั่งก่อนที่จะทาพิธีเนี่ยหลวงพ่อพุดทางกาเล่าให้ฟังเลยท่านกาเล่านั่งจุดด้วยกันท่านกาเล่าเพรมันมีเวลามากท่านการเล่าว่านี่นะเยในวัดของผมมันมีผู้หญิงผู้หนึ่งผีสิงผีเข้านะท่านว่านะอผีตัวนี้มันเก่งมากนะ มันเป็นผีสมผานเก่าะคือว่าพระตายไปแล้วไปเป็นผีเหมือนกันะให้ระวังเหมือนกันนะพระทั้งหลายนะเออพระตายก็เป็นผีใดเหมือนกันนะหลวงพ่อพูดท่านพูดนะหลวงพ่อยังจําไม่ลืมแต่นานแล้วนะเอแต่ในหลวงพ่อพูดว่าตายแล้วเป็นผีพอไปเป็นผีมันไปเข้าสิงชาวบ้านเขาเน่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งพอมันเข้าไปเข้าสิงเแท้ไปเข้าสิงเข้าไปเนี่ย อพูดเพ้ออะไรๆ ไ, ไปนั่นแหละผลที่สุดก็เลยเอาหมอทำไปไล่เลยพอเอาหมอทำไปไล่เนี่ยพอหมอทำจะอ้าปากพูดมันพูดก่อนได้เลยเลยออีนางคนนะั้นอีนางที่ผีเข้านะ่ะมันพูดก่อนได้หมดเลยแต่ที้เอาพระไปไล่ทีนี่พอพระไปไล่เนี่ยพระจะไปสวดกรณีกรณีรณเมตสูตรมันก็สวดก่อนพระอีกทีนี่ มันเก่งจริงๆเหมือนกัะไอ้ผีไอ้ผู้หญิงคนนั่นน่ะเหมือนกันเออทั้งที่เราจะไปสวดไล่ผีมันสวดก่อนแล้วนะเออมันเก่งเพราะมันเคยเป็นสมผานมาก่อนนะอ่มันว่ามันเป็นสมผานนอ่ะเพราะในส่วนมันเขามาหาผมป่ะนี่ยมันเพราะมาหาผมกันนั่นแหะมันทําอากับกิริยาที่มันไม่เคอรบเลยแล้วผมก็ถามอ้าวแต่แกเป็นอะไร มันก็ว่ามันเป็นสมพานมาก่อนมามันผีมันบอกว่าเป็นผู้หญิงนะพูดอย่างอาดชันอีกต่างหากเราผมก็เลยบอกว่าอ้าวกระสมภานก็รู้หน่อยหน่งบาปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีเป็นสมพานไม่รู้เหรอมันก้มหน้าเลยสินออผีนี่ยมันไล่มันไม่ได้เน่ยต้องเอาเหตุผลหักล้างมันบางครั้งนั้นรู้ไหมว่าอันไหนผิดอันไหนถูก ขนาดเป็นสมภารมาก่อนแล้วยังไม่รู้จักเหลอถ้าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้เป็นบาปกรรมยังไม่พอเหลยขนาดเป็นสมภารเป็นบาปเป็นกรรมมาเป็นผีส่งเขาแล้วบัดนี้ยังจะทําบาปกรรมต่ออีกเหรอยังไม่เห็นทอดอยู่เหรอเอ่อหลวงพ่อพูดว่านะเอ่อถ้าทําอย่างนี้ไปอีกต่ อ, อจะต้องไปอีกลึกกว่านี้นะบัดนี้เอ่อทํารังแกเบียดเบียดคนอื่นเขานะ่ะทําไมตัวเอง เคยเป็นสมผานมาแล้วเลยรู้แล้วอันไหนผิดอันไหนถูก ท, ทําไมจะมาหาธรรมอย่างนี้เอาเธอนะ อ, อแสดงว่าเธอเนะี่ยท่านเนะี่ยไม่รู้จักที่ไปที่มา เ, เราจะอุทิศเราจะอุทิศเราจะอุทิศกุศลให้นะเ อ, อด้วยบุญบา ร, รมีของข้าพเจ้าเนี่ยเ อ, อหลวงพ่อพุธนี่แหะด้วยบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อพุธนี่แหะ ได้ทำมาในอดีตแต่ชาตาิปัจจุบันแต่ชาติาบวชมาตั้งแต่น้อยได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลม า, าทั้งหลายทั้งปวงเราจะอุทิศส่วนกุศลในส่วนหนึ่งให้กับดวงวิญญาณกับสมภารให้ไปเกิดซะอย่ามายุ่งอะไรมากจุ่งกับเขามาทำบาปทกากรรมอย่างนี้เห็นไหมเขาเป็นทุกข์เป็นร้อน ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งวงศาคนาญาติของเขาตั้งตัวของเขาด้วยเราจะมาสิงเขาได้ยังไงอมันเป็นบาปเป็นกรรมน ะ, เ, ะเราจะให้อุทิศเราจะบุญแบ่งบุญกุศลให้ให้ไปเกิดชนะที่นี่นะอย่ามาอย่ามายุ่งแถวนี้นะให้ไปซะพอว่าตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็นล้มตูมลงไปอลไรยงเง้นฮพอล้มตูมลงไปแล้วกัจากพักหนึ่งหายเงียบ มันก็ฟื้นขึ้นมาเพอฟื้นขึ้นมาพัวเมลข่าอยู่ที่ไหนเนี่ยนะอา้าวมาหาพระเนี่อโปปปับไปบักใหญ่เอยลุกไปเลยหลวงพ่อพุธก็เลยบอกอมันไม่รู้จักขนาดกราบไหว้กราบพระไหว้พระเอจําพอผีมันจะเข่ามันงละแม่พนวะเนียหลวงพ่อพุธว่านะพอพานะเอมันมันรู้จัก ขนาดฟื้นขึ้นมาเป็นคนแล้วยังไม่รู้จักกราบพระไหว้พระเนี่ยนี่ช่วงผีเข้าก็ไม่ว่าละท่านว่ากันนะอพอฟื้นขึ้นมาแล้วมันยังไม่รู้จักกราบไหว้พระอีกต่างหากนั่นแนหะท่านก็เลยบอกว่าเรื่องผีเนี่ยเรื่องอมนุษย์เนี่ยเรื่องเข้าทรงเนี่ยบางเสียงบางอย่างเราจะใช้หมอทำหมอผีไล่ทีเดียวไม่ได้นะเราต้องใช้เหตุผลหักล้างเนี่แหละ ม, มันเคยเป็นสมผานมาก่อน ผีที่มันเข้าผู้หญิงคนนี้นะอันนี้คือหลวงพ่อพูดเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ฟังหลวงพ่อพุธก็นั่งอ้าปากบอท่านพูดให้ฟังนะเ ป, นปเป็นตุเป็นตาแต่ในหลวงพ่อพูดท่านก็ล่วงลับไปแล้วนะเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันนะ่ะแต่หลวงพ่อยังเป็นพระน้อยอยู่สมัยนะั้นเพิ่งมาอยู่ที่นาคําน้อยแต่หลวงตาท่านก็นิมนต์ลูกจิ์ลูกหาของท่านไปนั่ง นั่งปกพระน่ย น, นะจากนั้นกาเนี่ยพระรุ่นนั่นลกเป็นรุ่นที่ดังมากนะที่รุ่นธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สร้างรุ่นกุญจิงงงเยาว์ที่ท่านทำแล้วก็แจกให้คู่คนหลวงพ่อก็ได้มาอยู่สมัยนั้นที่พ่อว่าไปไปมีส่วนแต่งพ่อก็แจกหมดแล้วล่ะวะแต่หลวงพ่อกำไมปฏิเสธของศักดิ์สิทธิ์ถึงยังไงก็พระพุทธลูกเป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว ถ้าได้ไปแล้วกราบเพื่อกราบเพื่อไหวมีอะไรในจิตในใจก็ระลึกถึงพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงอันนั้นคือวัตถุแต่ถึงเราจะไปถือวัตถุอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องถือคุณธรรมศีลธรรมถือกรรมกรรมคือการกระทาถ้าเราทำดีแล้วมันจะชั่วได้อย่างไร เราทำกรรมชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรเราต้อง เ, อเชื่อกรรมแต่ว่าการละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นกรรมดีเหมือนกันละลึกถึงกรรมคือการกระทำที่ดีคิดที่ดีในเมื่อคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีมีแต่ความเจริญผาสุกนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อได้พูดได้เล่าเรื่องสิ่งที่หลวงพ่อ เกิดมาเยะเกิดมานานเคยมีประสบาการมาอย่างไงก็มาลเล่าให้ลูกหลานฟังแต่ลูกหลานทั้งหลายไม่ต้องกลัวเราจะพึ่งเชื่อให้ฟังเอาไว้พวกเรามีสองหูนะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่เชื่อนหลวงพ่อกขฟังฟังแล้วก็มาเล่าให้ลูกหลานได้ฟังลูกหลานลูกหลานทั้งหลายก็ควรจะฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเอาไว้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้า เราจะแก้ไขอย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจะคิดอย่างไรนะพอสิ่งในโลก น, น้มันมีมากของลึกลับซับซ้อนในโลกนี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีภูมิมะลุคะเทวดาอารัก เ, เทวดาชั้นต่างๆจนถึงพรมจนถึงผู้บริสุทธ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโลกนี้มันเป็นโลกที่ มีมากมายหลายหลายอย่างเพราะเห็นนั้นพวกเราอยู่ในโลกเนี่ให้มีเมตตาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะให้เมตมีเมตตาอยู่ในจิตใจเวลาเราจะไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระจบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุข น, ะนึกในใจนะข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่น ทุกลวงใจทุกลวงวิญญาณข อ, ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณอันนี้คือการแผ่เมตตาเป็นภาษาใจถ้าพวกเรามีแผ่เมตตาอยู่อย่างนี้เนีย่ยไปอยู่นะสถานที่ใดไปพักต่างสถานที่ก็ดีไหวพระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาจะหลับและตื่นเป็นสุขนะ เไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดใครผู้หนึ่งเพราะเรามีเมตตาถ้าใครจะอาฆาตพยาบาทจองเวรเราเราไม่ตอบรับนะเขาก็ตบมือข้างเดียวเราไม่ตบประสานมันก็ไม่มีเสียงฮะนี่แหละ <S <S คนโบราณแล้วบอกครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้มีเมตตาในจิตในใจคนที่มีเมตตาอยู่ในจิตใจอะไปนัสถานที่ใดเออไม่ ถือโทษไม่โกรธเคืองกับใครๆพอเห็นมีอะไรเกิดขึ้นแล้ เ, ออเขาอาจจะเข้าใจผิดมั่งจุดนีเออ้เว้นเสียแต่มันผิดจริงๆเออมันผิดจริงๆเออเราก็เดินตามกฎหมายกฎหมายมันมีอยู่แล้วนะออไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปทำร้ายทำลายเขาก็ไม่ใช่ไม่ถูกนะออพอเห็นแหละมันมีกฎหมายอยู่เราต้องว่าตามกฎหมายถ้าเขาเพียงแต่ตาเขียวเฉยๆเราก็ทำท่าเฉยๆถ้าไม่เห็นก็จบนะ พอบางทีบางคนเรามันอืมันคอมเนกันก็มีในในโลกเนี่ยมันอาจจะเกิดมาหลายภพหลายชาติใช่ไหมล่ะบางทีชาติที่แล้วเอาจะไปตีเขาไปฆ่าเขาเกิดมาพบในชาติที่ทั้งทีเราก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่พอมันมาเห็นหน้าเรามันคอมเมนต์เอยมันมองหน้าเรามันดูเรานะมันมองอีกแบบนึงเราก็ให้มีเมตตาสออเราอาจจะเคยทํากับเขามาก่อน ท่านจงเป็นสุขเราจงเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้คิดพยาบาทอาฆาตกันอีกให้อภัยกันนี่แหละให้เราคิดในใจอย่างนั้นถ้าเราคิดในใจอยู่อย่างนี้แหละไปณนะสถานที่ใดจะเป็นสุขถ้าหาว่าเขาตาเกี่ยวใส่เราก็ตาเกี่ยวตอบปอดต่อมากกันแล้วก็ชูกำปั้นใส่กันเขาก็ชูกำปั้นใส่ไปมาก็ตรงบอลตีกัน ผลในส no ุกกันี grows, ่นแหละมันมันไม่รู <Landesregierung>. ้จักจบจักสิ้นเลยท่นเลยเพราะว่าเมื่อเขาคิดตาเขียวเสรจเขาเขาคิดตาเขียวเมื่อเขาด่าเราล้วก็ด่าเขาเมื่อเขาด่าเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเมื่อเขาคิดเมื่อเราคิดจะฆ่าเขาเขาคิดจะฆ่าเราเนี่ยแหละมันจองเวียนกันอย่างนั้นนะโลกอนิวัตะสงสาราะนั้นให้เรามีเมตตาดีกว่าเนอะ ลูกหลานคณะรัตยาญาติโยมเกิดมาในโลกนะี่จะไปใจร้อนอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปใจเย็นๆต้องมีเหตุมีผลนะแต่ไม่ใช่จะเย็นแฉะจนเขาเหยียบอะไรก็เหยียบหัวเหยียบอะไรก็ยังไม่คิดอะไรก็ไม่ได้เราต้องมีกฎหมายบ้านเมืองมีอยู่มีผู้ใหญ่มีผู้น้อยมีสิ่งควรไม่ควรเราก็ต้องใช้กฎกติกาของหมู่ของคณะ ประเทศชาติบ้านเมืองมันมีอยู่แล้วนะเราก็เดินตามสายนั้นแต่ถ้าไม่จำเป็นจริง เ, เราจะไม่ใช้ความอารมโมโหโกรธาของเราเลยเข้าไปห้ามหันเออเราไปชำระฉาสงในเรื่องนั้นไม่ถูกนะเราต้องใจเย็นๆเกิดมาในโลกนั้นเพราะมันโลกนั้นมันคนมันหนานแน่นขึ้ น, นเรื่อยๆเออมันหนานแน่นขึ้ น, นเรื่อยอ า, อารมณ์ร้อนขึ้ น, นเรื่อย สิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดมันเกิดขึ้นมาได้ไง่ายมันจบแล้วก็คือบ้าบอมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพผลันพวกเราต้องเ อ, อ, เอาคุณธรรมศีลธรรมจ ร, จริยธรรมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเให้เข้าเอาธรรมเข้ามาสู่จิตใจของเราให้ใจเย็นๆมองเขามองเรามองโลกมันมีหลาย ม, มุมหลายแง่ คนดีก็มีคนชั่วก็มีคนบ้าก็มีคนบอก็มีคนอวดดีก็มีคนขี้เบ่งก็มีคนโง่ก็มีคนฉลาดก็มีมันมีมากมายหลายหลายอย่างถ้าหลวงพ่อจะไล่ไล่เรื่องคนก็นมาหลวงพ่อคงไม่ได้ฉันอาหารวันนี้นะอันต่อ น, นี้ไปรับพรได้ทนนี้นะัตธายาดโยมลูกหลานนะ